ข้กคาบทที่10ว่าด้ยวยการไม่พาสาชีวินีหลีกไปเรื่องภิกษุณีทุลนันทา1115สมัยนั้นพระผู้มีพระภพาค พ, พทธเจ้าประทับอยู่ณพระเชตวันอารามของพนาทานบิณฑิกเษถีเขตกรุงสาวัตถีครั้งนั้นภิกษุณีทุลนันทาบวชให้สาชีวินีแล้วไม่พาหลีกไปทั้งไม่ให้ผู้อื่นพาหลีกไป สามีจึงจับสาชีวินีนั้นบรรดาภิกษุณีผู้มากน้อยพากันตำหนีประนามโคลนทนาว่าชไนแม่เจ้าโทูลนันทาบวชให้สาชีวินีแล้วไม่พาหลีกไปทั้งไมผู้อื่นพาหลีกไปเล่าสามีจึงจับสาชีวินีถ้าภิกษุณีนั้นพึงหลีกไปสามีก็จับเธอไม่ได้ครั้นแล้วภิกษุณีเหล่านั้นได้นำเรื่องนี้ไปบอกภิกษุทั้งหลายให้ทราบพวกภิกษุได้นำเรื่องนี้ ไปกราบทุนพระผู้มีพระภาคให้ทรงทราบ